พุทโวสวัสดีคะ่ะท่านฝั่งที่ครคุกค่ะรายการสันสนีสนทนานะคะมาพบ ก, กับท่านิสแล้วทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ดิฉันสัน ส, น, สนีนาภงเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็มีพระมหาภัยบุตอภิปุณโวัดป่าดอนไฮโสอุดรธานีท่านก็จะมาให้ความรู้กับพวกเราพร้อมกับได้นำทำในสิ่งที่ตามปกติแล้วทางอากาศนี้จะไม่ค่อยได้มีโอกาสทากัน มากนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฟังธรรมกันเฉยๆนั่นก็คือการนําทุกท่านเริ่มต้นวาใหม่ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่จัดให้ว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งนั่นคือการปฏิบัติธรรมก่อนจะพบกับการตอบคำถามต่างๆนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเล็กเร e ต์อยู่ที่วัดป่าดอนไฮโซท่านก็จะได้เรียนกับครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่เป็นประจา ท, ทุกเดือนโดยตรงอย่างเดือนที่ผ่านมานี่ท่านมีสามคอสติดติดกันเลยเดี๋ยวไปกราบนมันสการประหารไพลบุญอภิปุญโหนโด้วยกันแล้วก็เริ่มปฏิบัติกันเลยค่ะกราบมัสการทั้งคะ่ะเชิญปอนเรามาเริ่มการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมกันการฟังธรรมตามการนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลตรงจุดที่ว่าจะทําให้จิตใจของเรานั้นมีความสูงขึ้นได้เราเริ่มการปฏิบัติด้วยการตั้งสติขึ้น สตินี้เป็นธรรมะหมวดแรกเลยทีเดียวที่พระพุทธเจ้าของเราหลังจากที่ตรัสรู้แล้วก่อนที่จะไปเทศน์สอนบอกสอนใครก็นึกถึงหมวดธรรมคือสติปัฏฐานทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นอันดับแรกก่อนและหนึ่งในสติปัฏฐานทั้งสอย่างที่จะทำให้เกิดสติได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของการใช้กายหรือการใช้ลมหายใจ ากายนี่คือหมายถึงกายาคตาสติลมหายใจนี่หมายถึงอานาปานาสติสามารถที่จะใช้เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติปัตตาทั้งสีได้เราเรามาเริ่มกันด้วยการสังเกตเห็นลมหายใจของเราลมหายใจที่ผ่านออกผ่านเข้าอยู่อย่างเป็นธรรมดาธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปแต่งลมให้สั้นหรือให้ยาวเวลาที่เรามาดูลมหายใจนั้น พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายทวารหรือว่ายามที่มาเฝ้าดูอยู่บริเวณทางเข้าทางออกของสถานที่นั้นๆบริเวณนั้นๆเพื่อรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกันสตินั้นเหมือนกับนายทวารไม่ว่าเราจะใช้การดูลมหายใจหรือวิธีใดก็ตามพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่านารงสติไว้เฉพาะหน้าเสมอเวลาเราเข้าสู่เสนาสนาอันสงัดแล้ว ก็นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเอาไว้อยู่เฉพาะหน้าคือบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจในขณะที่เราดูลมอยู่นี้แน่นอนบางทีมีความคิดต่างๆผ่านเข้ามาแล้วคนที่มีความฉลาดมีความแยบคายในเรื่องวาระจิตของตัวเองเนี่ยจะต้องสามารถรู้ดูให้ออกว่าความคิดที่เกิดขึ้นในจิตของเรานี้เป็นความคิดประเภทไหนคือถ้าเราจะมาเหมาหมด ว่าเวลาคิดปุ๊บมันไม่ดีหมดอันนี้ไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเราแยกแยะแจกแจงไว้ให้ว่าความคิดนึกส่วนที่มันไม่ดีที่เป็นไปในทางการทางพยาบาทหรือเบียดเบียนมีอยู่อันนี้ไม่ดีต้องลาทิ้งไปแต่ถ้าเป็นความคิดในส่วนที่เป็นไปในทางหลีกออกจากกรรมในทางไม่พยาบาทและไม่เบียดเบียนอันนี้มีดีอยู่เนี่ยเราจะตั้งตนไวในธรรมนั้นสามารถทาได้ น, นี้เป็นสัมมาสังกปะด้วยเพราะฉะนั้นความคิดอย่างเช่นว่าเราระลึกนึกถึงการที่เราได้ไปปฏิบัติตามศีลเช่นมียุงมากวนเราก็ไม่ฆ่าไม่ตบมันไม่รังแกมันแต่ว่ามีใจเมตตามีความกรุณาหวังความเกื้อกูลจิต ท, ที่เป็นแบบนี้แน่นอนเป็นศีลานุสติในขณะที่เราเจริญอาณาปานาสติอยู่มีความคิดว่ายุงเราไม่ตีหรอกเรา ให้บริจาคเลือดเข้าไปหรือว่าให้ชีวิตเขาการที่เรามาคิดว่าเราจะให้ชีวิตยุงที่มากวนอันนี้เป็นศีลานุสติแน่การที่เราจะให้เลือดกับยุงที่มากวนอันนี้เป็นจาการนุสติแน่ในขณะที่เราเจราาณาปานสติดูลรมหมายใช้เนี่ยสติกระบวนการแบบอื่นๆที่ผ่านมาทางการที่เราพิจารณาคิดนึกประเเรื่องที่เป็นสัมมาสังกปะก็เกิดขึ้นด้วยได้เหมือนกันตรงนี้เป็น ตามกระบวนการตามขั้นตอนมานั่นคือถ้าเราดูลมผลของลมที่จะทําให้สตินั้นก็เป็นไปตามกระบวนการของอานาปานาสติถ้าเรามาคิดนึกเรื่องที่เราให้เราบริจาคทานผลของการคิดนึกในเรื่องที่เป็นกุศลนี้จะทําให้จิตเราตั้งสติขึ้นได้ตามกระบวนการของจาร ก, การหรือสติหรือว่าถ้าเราคิดนึกไปในเรื่องที่เรารักษาศีลทําความดีมีเมตตาอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็น สีลานุสติเป็นเทวตานุสติทำให้สติเกิดขึ้นได้ตามกระบวนการของอนุสติต่างๆเหล่ า, า, านี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาคิดนึกพิจารณาในเรื่องใดๆเราต้องมีการแยกแยะดูให้เห็นนั่นเพราะว่าบุคคลที่จะมาทําความเพียรในจิตอันยิ่งแล้วเนี่ยเขาจะสามารถทําความละเอียดให้เป็นขั้นเป็นตอนได้พอเราเห็นความแตกต่างระหว่างความคิดนึกที่มันไม่ดีกับความคิดนึกที่มันดี ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นแล้วเราสามารถที่จะทำความคิดนึกที่มันดีนัน้นให้ระงับ <promotions> ลงไปตามลำดับตามลาดับขั้นของมันได้การระงับลงของความคิดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตตสังขารมีความระงับลงการระงับลงของวาจาในความคิดที่เป็นคำพูดด้วยเรื cool ่องวาจาด้วยอันนี้ก็เป็ <un> <sw rewind noise> slowly, นวจีสังขารที่ระงับลงการระงับลงของกายในมีการเคลื่อนไหวน้อยลงหรือมีความขยับเขยื่อนน้อยลง อันนี้ก็เป็นกายยะสังข า, ารที่ระงับกายะสังขารที่ระงับเป่นว่าในขณะที่คุณกําลังนึกถึงเรื่องใดๆนึกถึงเรื่องศีลก็เป็นศีลานุสตินึกถึงเรื่องการให้การบริจาคก็เป็นจากการนราสุสติเนี่ยกายที่ระงับลงอันนี้ก็ช่วยว่าเป็นพุทธิเห็นกายในกายน่นคือสติปัฏฐานสี่ก็เกิดขึ้นละเ ว, วลาที่เรามีเวทนาความรู้สึกอย่างใดเป็นปีติก็ตามเป็นสุขตามหรือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขตามแล้วเราตั้งสติไว้ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็น เวทน า, า, านุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาเพราะฉะนั้นอนุสติต่างๆก็จึงเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ที่เราสามารถเจริญให้พร้อมทําขึ้นให้ได้ในทั้งวันไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้ากลางวันเย็นขณะฟังธรรมเดินทางหรือว่าทํางานต่างๆสามารถที่จะปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยได้เหมือนกันเจริญปานสาธุค่ะ แล้วก็ให้ทำย้ำๆซ้ำๆต่อไปเรื่อยๆเพื่อเกิดความชำนาญอย่างนั้นไหมคะถูกต้องถูกต้องเดือนที่แล้วเดี๋ยวฉันได้พูดไปว่าท่านมีถึงสคอร์สปฏิบัติถูกต้องไหมคะใเมษายนช่วงเดือนเมษาเนี่ย <c oughs> เป็นช่วงปิดเทอมสำหรับ <c oughs> ถึงม .6 ใช่ไหมแต่มาอะไรนี่เขา <c oughs> เขาเปลี่ยนเป็นเดือนอื่นไปแล้วใช่ไหมที น, นี้ช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้กับพวกนักเรียนแล้วก็คุณครู ที่ปีปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีหยุดแค่ช่วงเนี้ยที่จะมากหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยจัดให้คอสของเดือนมีนาล่นมาใกล้เข้าเดือนเมษาคอสของเดือนพฤษภาล่นเข้ามาใกล้เดือนเมษานังนก็จึงเหมือนกับมี3มคอสติดกันแต่ว่าก็3มเดือนนั่นแหละแต่เอามาออใกล้ให้มันใกล้กันค่ะก็เลยไปทาให้เดือนเมษายนดูเหมือนจะหนักหน่อยเพราะว่าไปพ่วงเอาของมีนากับพฤษภ า, าไว้ด้วยใช่ใช่ ดังนั้นก็เท่ากับว่าเดือนพฤษภานี้ท่านจะพอมีเวลาก็จะว่างไปหน่อยใช่จะห่างไปหน่อยค่ะค่ะก็ยังดีนะคะเก็บไว้ทําภารกิจต่างๆเพราะดิฉันเชื่อว่าอ่าก็คงจะต้องมีภารกิจที่ต้องอาศัยเวลาพอสมควรทีเดียวอืมแล้วยิ่งอยู่ไกลๆนั้นภารกิจบางอย่างอาจต้องอ่าไม่ใช่ทําแต่หัวเมืองที่อุดรเท่านั้นจะต้องมีเส้นทางใช่ปีปีหนึ่งที่วัดนี้ก็จะจัด คอสสิบสองครั้งอาจจะมีพิเศษบ้างเป็นครั้งที่สิบสามแต่ว่าปกติก็จะสิบสองครั้งก็คือเดือนละครั้งนะเป็นประมาณนี้ตุกๆุกปีนะครับพวกเราที่เคยไปแล้วหลายคนมากเลยต้องจัดเวลามาซ้ำมาซ้ำมีเพื่อนเดินทางมาจากประเทศอังกฤษบ่อยมากเลยไปที่วัดป่าดอนหายโศกแม่นะคะครั้งนี้ก็มาเดี๋ยงก็ถามเขา ไปในไลน์ว่าปฏิบัติครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเขาก็ตอบมาบอกว่าการปฏิบัติทุกครั้งธรรมะเจริญขึ้นทุกทีเห็นความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันมากกว่านี้นะคะ อ, อายุน้อยที่สุดที่ไปปฏิบัติช่วงนี้สักเท่าไหร่คะท่างคะออมีที่มาเก้าวขวบคราวนี้เ ข, ข, ข, ขวบใช่ก็วันหยุดเงี้ยไปเติม แล้วแล้วเข<ม>าไม่วอกแวกเหรอคะเพราะว่าระเบียบของที่วัดนี่น่าจะลําบากกับเด็กๆหน่อยนะคะท่านคะเมื่อปีที่แล้วเขาก็อายุแปดขวบปีนี้เขาก็มาอีกอายุเก้าขวบแล้วรอบที่สองแล้วมาทุกปีวันหยุด อ, อปิดเทอมเนี่ยจะมาทุกปีอืโออค่ะ <c oughs> แล้วดูเขาเปลี่ยนแปลงไหมคะจากตอนแปดขวบก็คือคือเด็กเนี่ยถ้าสมมติว่าสามารถเชื่อฟังได้เช่นว่าไม่กินข้าวเย็นนะ แล้วก็ไม่คุยกันนะแล้วก็ไม่ร้องไห้หาแม่อ่านี่มาได้ะ ท, ท, ที่ต่ําสุดเนี่ยก็เจ็ดขวบก็มีนะที่เขาอยู่ในกฎระเบียบได้แต่ถ้าตามกว่านั้นบางทีก็วิ่งหาแม่บ้างร้องไห้กินข้าวบ้างอันนี้ก็จะยกไว้ก่อนย่งยกไว้ก่อนเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายครเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็จะมี ค, คนหนึ่งอายุเก้าวขวบเหมือนกันค่ะเรียนเข้าใจนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็มีลูกเป็นห่วงคือ พ่อแม่อยากจะมาถ้าลูกไม่มาก็คงมาไม่ได้นี่ก็เท่ากับว่าเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวกระทั้งคะเราก็คงจะก้าวมาสู่ช่วงของการที่จะผ่อนส่งคาถามที่ท่านทั้งหลายถามกันมาแล้วก็ยังไม่ได้ตอบอะนะคะคำถามแรกจะเป็นของคุณดุสิยาคะท่านคะเันค่ะคุณดุสิยานี่ก็ถามด้วยถ้อยคาที่ฉันคุ้นเคยกับสมัยเด็กๆ คุณย่าเป็นนักปฏิบัติเหมือนกันท่านจะพูดถึงคำนี้บ่อยๆคือคำว่าเจตสิกอืคุณดุสียาถามมาว่าคืออะไรได้ยินบ่อยแต่ไม่ค่อยเข้าใจมีอยู่ในพระสูตรเรื่องใดบ้างคะโอ้คำนี้พระพุทธเจ้าใช้บ่อยเหมือนกันนะเช่นว่าคำนี้เอาความหมายก่อนเอาความหมายก่อนคำว่าเจตสิกเนี่ยเปิดพระจารนุกรมจะเจอเลยว่าแปล ว, ว่าอันประกอบอยู่ในจิตหรือว่าจิตในภายในเป็นเรื่องที่อยู่ในภายในจิต พพุทธเจ้าจะใช้สัมนวญเนี้ยตรงไหนบ้างเช่นท่านจะบอกว่าประกอบด้วยฌานทั้ง4อันประกอบในจิตในภายในอย่างนี้นะท่านบอกว่าบุคคลที่เป็นผู้ประกอบด้วยฌานทั้งสอันเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกยิ่งในภายในก็จะใช้คําว่าเจตสิกกลางบ้างเจตโสบ้างเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของฌานสจิตในภายในก็จะใช้คํานี้ตลอดเลยเจอหลายๆที่มากนะคํานี้คือถ้าเราพูดถึงในพระสูตรนะ แต่พระสูตก็จะใช้คําเนี้อยู่เรื่อยๆอคํานี้หมายความว่าในช่องทางคือทางใจของเรานั่นคือในระบบร่างกายคือตัวท่านผู้ฟังตัวธรรมะเองหรือตัวคุณโยมทิวเนี่ยก็จะมีช่องทางทางกายแล้วก็ช่องทางทางใจเข้าใจไหมช่องทางทางกายก็ตาหูลิ้นพวกนี้นี่คือช่องทางทางกายช่องทางทา ใ, ใจเช่นเราจะรู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้มันต้องเข้าไปในช่องทางทางใจแน่นอน แล้วในช่องทางทางใจในภายในตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ว่าเจตสิกในเนี้ยในใจเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในภายในบ้างเราจะทำยังไงให้จิตในใจของเรามีความระงับลงระงับลงหรือมีกุศลธรรมมากขึ้นมีอกุศลธรรมน้อยลงคือในภายในช่องทางทางใจตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าจะเน้นย้าสอนเรื่องจิตเรื่องใจตรงนี้ก็จะระบุเข้ามาใช้คานี้ค่ะ หมายความว่าเจตสิกนี่เป็นคําบาลีหรือไงคะใช่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีแล้วก็ปรากฏอยู่ในพระสูตรหลายๆเรื่องใช่แล้วก็ถ้าจะพูดถึงส่วนที่เป็นพระอภิธรรมใช่ไหมที่เขาจะมีการสอนกันว่าเจตสิกกี่ดวงจิตเจตสิกรูปนิพพานนี้ก็จะเป็นอีกคำหนึ่งที่เขาจะใช้ในเรื่องของอภิธรรมอันนี้เรายกไว้ก่อนอ น, นี้คุณดุษิยาถามเฉพาะเจ้าจงมาในส่วนที่เป็นพระสูตรตรงนี้ พระเจ้าจะใช้คํานี้อยู่อยู่เรื่อยๆถ้าจะระบุะถึงเรื่องที่เป็นในจิตในใจค่ะก็เถ้าบอกว่าท่านก็เลยบอกว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้<ช>เป็ น, เ, ปนเรื่องเจตสิกเป็นพุทธพจน์แน่นอนว่ า, าเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่ในจิ ต, ตอยู่ภายในจิตถูกต้องโดยจะใช้คู่กับคำว่าฌานสี่ฌานทั้งสจะใช้กันบ่อยมากถ้าเราพูดถึงว่าฌานทั้ง4ที่เป็นก้อนรวมเนี่ยจะใช้คํานี้อยู่เรืร่อยๆเลยเจตสิกนี้ งั้นหมายความว่าเวลาที่เราเจริญสติปัฏฐานถูกไหมคะมแล้วทำให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามลำดับฌานขึ้นไปปฐมฌานทุติยตะฌานตติยะฌานจะตุถฌาน อ, อันนี้จะปรากฏาถึงสิ่งที่ความสงบ อ, บอยู่ในจิตถูกต่องความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตตอนนี้ใช้ ค, คาว่าเจตสิกได้เลย ค ว, ความสงบซึ่งอยู่ภายในจิตก็คือใช้เจตสิกังเลยอ น, นีปภาษาบาลีมาเลยเจ <wit, S 2> ตสิกังเจตสิกังค่ะนะคะก็เป็นอันว่าเข้าใจได้น่าจะเข้าใจได้กระจาร่างพอสมควรทีเดียวนะคะคุณดุสิยาส่วนคำถามที่สองครับท่านคะอยากให้ ท่านได้อธิบายพระสูตรเกี่ยวกับท่อนไม้ที่จะลอยออกสู่ทะเลมีอุปสรรคติดฝังในฝั่งนอกมีน้นําวนอันนี้ก็เป็นเป็นพระสูตรที่ไม่ยาวให้อดามาอ่านให้ฟังดีกว่าเนา ะ, ะอันนี้เป็นพระสูตรที่มาในสั่งยุตานิการประมาณสักหน้าหนึ่งต น, นั้นเองอพระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ํำคงคาแล้วก็มีท่อนไม้ท่อนหนึ่งลอยมาตามกระแสแม่น้ํำคงคาก็แม่น้ำคงคานีา่กว้างพอสมควร ลองลนึกภาพพระพุทธเจ้าอยู่ริมฝั่งนะในตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยพที่กําลังจะตกดินก็รวบรวมกันมาฟังธรรมแล้วก็มีท่อนไม้ท่อนหนึ่งลอยมาพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ฉลาดในการที่จะเอาสิ่งต่างๆมาสอนก็เลยเอาท่อนไม้เนี่ยมาสอนและได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายบอกอย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่น้นซึ่งลอยมาตามกระแสะแห่งแม่น้ําคงคาหรือไม่ พิสูจน์ทังหลายท่าต้นไม้นั้นจะไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในหรือฝั่งนอกไม่จมเสียในท่ามกลางไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอะมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำบนบนไว้ไม่ผุดเสียเองในภายในไช้ต้นไม้ที่กล่าวถึงนี้จะลอยไหลพุ่งออกไปสู่ทะเล ก้อ น, นั้นประเหตุว่าลำแม่น้ำคงคามีปกติน้มน้อ ม, อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเลอุปมาณี้ฉันใดอุปไมยก็ฉนนั้นเหมือนกันถ้าแม้พวกเธอทั้งหลายจะไม่ไปเข้าติดเสียที่ฝั่งในไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งนอกไม่จมเสียในท่ามกลางไม่ติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูก มนุษย์จับไว้ไม่ถูกอะมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้าวนวนไว้ไม่เน่าเสียเองในภายในใช้พวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสู่นิพพานข้อนั้นประเหตุว่าสัมมาทิฐิมีธรรมดาที่โน้มน้อมลุ่มลาดเยียงเทไปสู่นิพพานภิกษุต้งหลายคำว่าฟังใน เป็นชื่อของอายตนะภายในทั้งหกคำว่าฝั่งนอกเป็นชื่อของอายตนะภายนอกทั้งหกคำว่าจมเสียในท่ามกลางเป็นชื่อของความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินคือนันที่ราคะคำว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของความสําคัญว่าเรามีเราเป็นหรืออัศมีมานะ คำว่าถูกมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ระคนด้วยกระดหัดเปลืเปลีปล่ยน ด, ด้วยกันเศร้าโศกด้วยกันมีสุขเมื่อกระดหัดเหล่านั้นมีสุขเป็นทุกข์มเมื่อกระหัดเหล่านั้นเป็นทุกข์ประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแก่คระดือหัดเหล่านั้นด้วยตนภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ถูกมนุษย์จับไว้ คำว่าถูกอะมนุษย์จับไว้ได้แก่พิสูบบางรูปในกรณีนี้ประพฤติประมาจันโดยตั้งความปรารถนาเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งว่าด้วยศีลนี้หรือด้วยวัดนี้หรือด้วยตบานี้เราจะได้เป็นเทวดาผู้มีศักดา์าใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดา์าน้อยยังได้อย่างหนึ่ง ภิกสุดนี้เราเรียกว่าผู้ถูกมนุษย์จับไว้คำว่าถูกเกลียวน้ำบนบนไว้เป็นชื่อของการมากุลทั้งห้าคำว่าเป็นผู้เน่าเสียเองในภายในคือภิกษุบางรูปในกรณีนี้เป็นคนทุศีนมีความเป็นอยู่หลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้ว ก็กินแหน่งตัวเองมีการกระทาที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติประมาจันก็ปฏิญญาว่าเป็นคนประพฤติประมาจรรมันเป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เดเยียมูลฝอยอย่างนี้เรียว่าผู้เน่าเสียเองในภายใ น, หนแหลัลนี้คือพุทธพจน์ที่เป็น แม่บทอยที่คุณดูสิยาตามมาตรงนี้นี่คือความหมายของคบนี้นั่นเองค่ะแล้นก็เท่ากับว่าพระพุธองเนี่ยกำลังตรัสสอนอพระภิกษุสงฆ์หรือว่าอาจจะเป็น<ห>อาจจะเป็นเ้าเรียกว่าอะไรคะาสุบาสิกา อ, อยู่บริเวณริมแม่น้ำก็เลยใช้ใชอุปมาอุปไมยกับท่อนไม้ที่ลอยมาในน้ำเพื่อที่จะได้เป็นการ ใช้ถ้อยคำที่ใกล้ตัวและเข้าใจง่ายแต่ว่าอุปมาของท่านกับเนื้อหานี่โอ้โหยิ่งใหญ่มากนะคะก็ทำให้รู้ว่าไปถึงนิพพานได้แน่ถ้าไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นสะก่อนถูกต้องอตรงนี้ไม้เนี่ยมาจากไห น, นมีคำอธิบายตรงนี้เขาบอกว่าคือต้นไม้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยน ะ, ะมันจะมีวัชพืชทีท่เป็นเถาวัน ขึ้นพันต้นไม้ใหญ่เนี่ยแล้วถ้าวันพอมันขึ้นไปสูงมันก็จะชูใบชูดอกอะไรเต็มที่เนี่ยแล้วจังหวะที่ฝนตกมันก็รับน้ํารับไรทําให้ต้นเนี่ยมันหักโค้นออกมาได้นี่ประเภทที่1 ห, หรือต้นไม้บางต้นขึ้นอยู่ริมฝั่งน้ําพอตะลิ่งเซาะ ก, ก็ล้มลงมานั่นจึงมีเหตุให้มีท่อนไม้ใหญ่เนี่ยไหลมาตามแม่น้าําคงคาทีนี้เรามาดูอุปมาอุปมานี้ไปทีละข้อนับังในฝั่งนอก อันนี้คืออยายตนะภายในและภายนอกนะั่ทอดไม้นะเปรียบเหมือนจิตของเรานะจิตของเราจะไปสู่นิพพานได้เราไปตามกระแสน้ำใช่ไหมกระแสน้ํานี่เปรียบเหมือนกับมรแปดนะเริ่มมาตรงนี้ที่สัมมาทิฏฐินะกระแสนี่คือโสดาบันแล้วนะคำว่าโสตะโสตะเนี่ยแปลว่ากรนะแสแต่วันนั้นเรามาตามกระแสเนี่ยคือกระแสของมรแปดนั่นเองนะั่ฟังในฟังนอกคืออยายตนะภายในและอยายตนะภายนอก ฝั่งในฝั่งนอกเนี่ยคุณโยมติว๋วมันจะมีไปตลอดทางเลยจนถึงปากแม่น้ํำนุ่นจะมีไปตลอดต่อให้พระอ อ, อนาคามีอานาคามีผลด้วยก็ยังจะมีฝั่งในฝั่งนอกอยู่มันจะมีไปตลอด <Okay. S 1> อ, อ, อาจจะ ก, กว้างแคบไม่เท่ากัน อ, อข้อถัดมาไม่จมเสียในท่ามกลางคําว่า <Okay. S 1> ไม่จมเสียในท่ากลางคือนันทิราคัคทาไมหมายถึง มาจมเสียในท่ามกลางได้นั่นเพราะว่าไม้บา ง, ง, งประเภทเนี่ยข้างในมันกลวงแล้วพอน้ํามันเข้าไปขังทําให้น้ําหนักเนี่ยมันหนักลงหนักลงแล้วก็จมไปได้ตัวนี้เหมือนกันจิตคนเนี่ยถ้าบอว่ามีความกําหนิดด้วยน่าความเพลินมันไปเจออะไรมันก็ติดหนึบติดหนึบหมดมันก็จะติดหนึบนะไปไหนไม่ได้จมอยู่ที่ตัวเองก็ถัดมาที่พระพุทธเาบอกว่าเป็นไปติดแห้งอยู่บนบก คำว่าาติดแห้งอยู่บนบกเนี่ยคือไม่ใช่ฝั่งในฝั่งนอกแต่บางทีมันมีดอนกลางน้ําเขาใช้คำว่าอะไรคุณโยมติว๋วแก่งแก่งกลางน้ำอะไรอย่างงี้นะค่ะเป็นสันดอนเออเสันดอนนั่นแหละแล้วก็ไปค้างอยู่ตรงนั้นอันนี้คือติดแห้งอยู่บนบกคือคือดอนที่กลางน้ําอันนี้คือเปรียบเทียบกับความที่สําคัญมั่นหมายว่าตัวเราเป็นอย่างนี้คือมีมานะอยู่ตบุตรชาวใจคำว่ า, าอัสมิมานะคือความสําคัญว่าเรามีเราเป็น แะถัดมาถูกมนุษย์จับไว้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับท่านไม้เนี่ยมีกรณีของเศรษฐีคนหนึ่งเขาก็ขึงตาข่ายไว้ที่ริมแม่น้ําบริเวณที่ทางของเขาเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีปุ่มไม้จันแดงมาติดที่ตาข่ายของเขาทําให้พวกคนงานเนี่ยเขาเอาขึ้นมาเอาไม้นั้นมาใช้อันนี้ก็คือว่าถูกมนุษย์จับไว้นัคืออันนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจเห็นภาพชีวิตของคนที่เขาอยู่ริมน้ำนะ หรื <c oughs> อนนเขาเห็นเขาก็เอาไม้นั้นมาใช้อันนี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราจะไปสู่นิพพานแล้วเนี่ยก็ยังห่วงคนนั้นคนนี้แต่คําว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยคือหมายถึงถ้าเป็นพระก็ญาติโยมถ้าเป็นฆราวาสก็อาจจะคนในครอบครัวหรือเพื่อนเราก็ระคนด้วยการมีสุข ด, ด้วยการเพลิดเพลินด้วยการเศร้าโศกด้วยกันอันนี้เป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็คือถูกมนุษย์จับไว้แต่ส่วนคาว่ามนุษย์ แล้วทำไมอมนุษย์เขาถึงจะมาเอาท่อนไม้นะถ้าเราจะเปรียบกับท่อนไม้นี่นะก็คื อ, อรุกขเทวดาที่อยู่ริมน้ํานี่ก็มีนี่คือที่เขาอธิบายไว้บางทีก็เห็นไม้ตรงนี้ก็เอาไม้เนี่ยมาแต่งนะวิมานของตัวเองคือถ้าเป็นไม้พวกไม้จันท์แดงหรือไม้จันเหลืองเขาก็จะเอามาแต่งวิมานของเขาพวกรุกขเทวดาเทวดาที่อยู่ในชั้นจตุมาราชิกาเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆมนุษย์อันนี้ก็มีกคำอธิบายตรงนี้อยู่ ทีนี้เปรียบกับคนในะจิตของเราแลนะ้ก็ตั้งความปรารถนาในการที่จะเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งอ่านะเช่นบางคนเนี่ยปรารถนาที่เป็นโพริสัตว์อย่างนี้ก็อยากจะไปเป็นเทพที่อยู่ในชั้นดุสิตหรือพวกพราหมเขาก็มีความคิดว่าอยากจะไปอยู่กับพรมแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่จะให้ไปอยู่กับพรมก็จะไปไม่ถึงทะเลนะนี่คือถูกอธรรมโนจับไว้เขา<ข>เท่ากับว่าถ้าในข้อสุดท้ายเนี่ย อุปสรรคจริงๆเนี่ยคือความคิดความปรารถนาของตัวเองถูกไหมคะใช่ใช่เหมือนกับเป็นความอยากไหมคะอันนี้เรียกว่าเป็นวิภาวะเป็นภาวะตัณหาไหมคะคืออยากจะเป็นถูกต้องถูกต้องเป็นภาวะตัณหาอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นอะไรใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีความปรารถนานิพานก็เลยไปไม่ถึงฝั่งไปไม่ถึงฝั่งอ่าทีนี้ที่แ่าจะมีความสามารถไปติดอยู่ที่ความต้องการของตัวเองซะก่อนใช่อันนี้คือภาวะตัณหาที่คุณโยมตีว่าแล้วทีนี้ กามตัญหาอยู่ตรงไหนก็คือน้ำวนนั่นเองน้ำวนวนเอาไว้ก็ถูกดูดลงไปน้ำวนนี้คือเป็นชื่อของกามกุณาแ ล, แล้วก็ผุเน่าเสีเองในภายในคือพอน้ําขังแล้วถ้าเป็นไม้ที่ทนน้ําก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นไม้ที่ไม่ทนน้ำบางทีมันผุจากข้างในมันก็จะจมลงนไม้ที่ผุจากข้างในก็คือว่าตัวของคนนั้นเองผิดศีลเองเน่าในเองก็ ผิดศีลไปเรื่อยๆทีละน้อยๆสุดท้ายตัวเองก็พลาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็คว่ำไปเองออกออกนอกออกไปสู่ทะเลไม่ได้ออกไปสู่นิพพานไม่ได้ก็เท่ากับว่าระหว่างทางก่อนที่จะถึงนิพพานเนี่ยกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวสิคะนนสามารถที่จะสอดแทรกเข้ามาได้ตลอดเวลาใช่นี่คือพระพุทธเจ้าแยกแยะ ใ, ให้ว่าไอ้เครื่องข้องในะเครื่องที่มันจะมาให้เราติดขัดเนี่ยก็มีพวกเนี้ยในแยกออกมาให้เจ็ดประการนี้นะคะอเป็นอะไรที่ เป็นธรรมะใหญ่นะคะเนะี่ยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติเรื่อยไปจนกระทั่งจะพาจิตของเราไปสู่พระนิพพานได้อย่างไรอือันนี้จะว่าช่วงต้นทางที่ไม้นไปเจอกับฝั่งในฝั่งนอกที่ว่าเป็นอายตนะนี่ก็คือจะพูดรวมเป็นผัสสะได้ไหมค ะ, ะเพราะอายตนะภายในภายนอกนี่จะต้องเจอกันเจอกั น, นใช่ใช่ใชคือคืออายตนะภายในก็ติดได้ไงพระพุาตรัดไว้ตรงถึงเรื่องของตัณหาเนี่ยว่า ตัณหาคือสิ่งที่ทําให้มีความเกิดไม่เป็นปกติประกอบอยู่ด้วยความกำเนิดด้วยอำนาจความเพลินมักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นานๆใช่ไหมค่ะฤทธิตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งไหนพระรายาบอกย่ให้ว่าสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นอายตนะภายในตัวมันเองเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจได้ คือต่อให้มันยังไม่ได้เกิดพรษาเอาตัวมันยังเดียวเดี<ๆ>่ยวโดดมันก็เป็นที่รักได้ค่ะทั้งเป็นภาษาทั้งยังไม่เป็นภาษาปัญหาเกิดขึ้นได้หมดติดหนึบได้หมดค่ะอืะะะมีเรื่องเกิดนิดหนึ่งตงัวนี้ในพระชนนีนะพอพระพุทเจ้าเทศน์ตรงนี้จบใช่ปะไม่ใช่แค่ภิกษุเท่านั้นที่เขาฟังอยู่ตรงนั้นนะมีนายโคบานเด็กเลี้ยงวัวเขาก็ฟังอยู่ด้วยพอเ้าฟังตรงเนี้ยเขาก็ถามมาอ้าวแล้วถ้าอย่างผมอย่างเนี้ย ถ้าผมทําแบบนี้เหมือนกันเนี่ยผมจะบรรลุทําได้ไหมพระบรุตรจ่าบอกได้เอางั้นผมจะขอบวชพระบรุตรจ่าก็บอกเอางั้นบวชของใครเอาไปคืนเจ้าของก่อนะเขากเกิจัดการเอาไปคืนเจ้าของมาขอบวชบวชแล้วทําความเพียรอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะว่าได้ฟังธรรมสาคัญที่ชี้ทางตั้งแต่ต้นจนจบอืมอ่าก็ดิฉันมีเกรดเลยนะคะอ <laughs> พอท่านบอกว่าท่านมีเกรดดิฉันก็จับเกรด ที่ท่านได้กล่าวมาคือท่านพูดถึงนายโคบาล<ช>ถ้าเป็นสมัยก่อนที่จะมาฟังธรรมในวันเนี้ยดิฉันต้องคิดว่าท่านพูดถึงโคบานที่ขี่ม้ากันไหงคะจำได้ว่าเป็นเด็กๆเราจะนึกถึงคนขี่มา้าเราเรียกโคบาลอันนี้คือบานเนี่ยคือบาละคือรักษาบาละรักษาทําไมเขาถึงต้องมีคนรักษาโคเพราะว่าบางทีมันก็เดินไปทั่วใช่ไหมซึ่งโคบานเนี่ยคือคนที่ดูแลรักษาโคจะเป็นเด็กก็ได้ กูง่ายเด็กเลี้ยงควายนะ่ะค่ะอะยังทําไมเราให้เด็กไปเลี้ยงควายเพรามเป็นงานง่ายๆกูก็ไปดูแลมันตัวนั่นเองอย่าให้ใครขโมยไปหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ก็ก็แล้วแต่ว่าความใหญ่ความเล็กสเกลของหัวควายนั้นเป็นอย่างไรนะค่ะค่ะก็ได้ทำมา ก, กันไปทั่วนหน้าแล้วก็ทําให้เราได้เห็นว่ามีความละเอียดลึกซึ้งไหมคะในการที่เราจะปฏิบัติไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานนต้องคอยระวัง อย่างละเอียดเลยละ่ะอืมไม่เช่นนั้นแล้ว <c oughs> ก็จะต้องไม่เจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสฟังนอ ก, นอกฟังในออะไรนะคะ ต, ติดแข่งอยู่บบกลางน้ําอ่ะ <c oughs> ติดแห้งอยู่บนบกมนุษย์จับไว้อมนุษย์จับไว้เจอน้นําวนใช่ไหมคะใช่แล้ว <c oughs> แล้วอันนี้ไม่ได้ว่าจะมาครั้งเดียวนะฝั่งนอกฟังในนี้ตลอดอยู่แล้ว คุณผ่านมนุษย์กลุ่มนี้แล้วอาจจะไปเจอมนุษย์อีกกลุ่มหน้าอผ่านามนุษย์กลุ่มนี้แล้วอาจจะไปเจ อ, อมนุษย์กลุ่มหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีอุปสรรคไปเรื่อยๆ น, นั่นแหละค่ะนี่เป็นตัวอย่างของอีกหนึ่งพระสูตรนะคะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับภิกษุและผู้ที่ได้ร่วมฟังอยู่เพื่อที่จะถ่ายทอดคําสอนของพระองค์ที่จะให้ทุกคนนั้นพ้นจาก ความทุกข์และก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเรามีความสามารถในการบอกสอนมากวิธีของท่านก็คือจะดูว่าใครเป็นคนฟังเมื่อพิจารณาว่าใครเป็นคนฟังก็จะถ่ายทอดให้เหมาะสมกับผู้ฟังครั้งนี้พิจารณาสถานที่ที่เป็นองค์ประกอบก็ยกตัวอย่างเนี่ยนี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเป็นครูผู้สอน ของเดียวดาลและมนุษย์ทั้งหลายจริงๆเป็นศรัทธาคือผู้สอนจริงๆเป็นศาสดาได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าด้วยใช่เด็กบานวันนี้ก็คิดว่าเราก็ได้ธรรมะ ก, กันมากทีเดียวนะคะท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงท้ายที่เหลือเวลาอยู่น้อยนิดนี้ไหมคะในโคบานคนนี้อาจจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้ละ่ะแต่ว่าพอเขาได้ฟังเรื่องตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เอเทศภิกษุใช่ป่ะแล้วถ้าฉันทําได้บ้างเนี่ยมันจะได้ไหมตรงนี้นะเออคือเขาก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้เจาะจงเทศให้เขาฟังอ่ะแต่เจาะจงเทศใภิกษุแต่ว่าเขาเกาอยู่ด้วยก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างบางทีเราฟังเทศฟังธรรมข้อไหนดีเราไปแบ่งปันเพื่อนเนี่ยก็ได้ประโยชน์กันครับท่านคะอย่างนี้อถ้าดิฉันจะนึกพันไปถึงบางพระสูตรที่ได้เปรียบเทียบว่าเป็นช้างอาชาไนม้าอาชาไนอย่างนี้เท่ากับว่านายโคบาล คนนี้นี่เป็นประเภทปะตากยังไม่ทันถูกอะไรเลยมั้งคะอ๋อใช่ใช่ใช่คือถ้าท่ า, าบนา บ, นบนรรลุนี่เนาะใช่ใช่ใชค่ ะ, ะถูกต้องเป็นผู้ที่เห็นภายละก็คือเป็นโครหรืออาชนายที่มีความสามารถฝึกได้แล้วฝึกออกมาไม่มีใครยิ่งไปกว่าโดยพระพุทธเจ้าค่ะนะคะ เ, เราก็ต้องออพยายามคิดว่าถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราเห็นว่า ดีแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าโดยบุญวาสนาเราอาจจะเป็นพวกที่รู้ช้านะคะต้องให้อ่ามีอะไรเกิดขึ้นเป็นความทุกข์กับคนใกล้ตัวหรือเกิดกับตัวเองซะก่อนก็อาจจะเร่งขึ้นมาอีกหน่อยนึกว่าอ่าเราเริ่มต้นเร็วๆขึ้นก็ดี hmm. ฟังรายการเนี้ยต่อไปเรื่อยๆควันนี้ที้ั่งขอพายจริงๆแล้วรู้สึกคอไม่ค่อยสบายพูดเลยไม่ค่อยถนัดทนีเท่าไหร่อก็ มาติดตามรับฟังกันไปเรื่อยๆแล้ววันนี้คําถามของคุณดุสิยาเนี่ยได้ทําให้เกิดประโยชน์กับพวกเราทุกคนก็อนุโมทนากับคุณดุสิยานะคะและก็สําหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆท่าสนใจจะถามคําถามให้ดิฉันเป็นตัวแทนในการที่จะสนทนากับท่านอาจารย์ไพบูลก็ส่งมาได้เพียวธรรมะ .com/106 นะคะสําหรับวันนี้จะกราบมาส ก, การขอบคุณท่านไพบูลเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจริญพันธมาสักการคะ่ะ ท่านฟังที่ครบค่ะรายการนี้สัสนิษฐนนนาออกอากาศอยู่ที่สถานีวิทยุรอบครัวข่าว f m 1เ6เป็นสถานีวิทยุของทหารเรือนะคะเราก็มาให้ธรรมะกันตั้งแต่ตอนเช้าในส่วนที่ดรียนสนทนากับท่านอาจารย์นั้นจะมีในวันพฤหั ส, สบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ส่วนท่านอาจารย์เองเนี่ยท่านจะมาพบกับท่านฟังในทุกวันทางานก็คือจันถึงศุกร์เลย วันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพุณทวาสวัสดีค่ะ